ใครชอบฤดูหนาวบ้างใครชอบฤดูร้อนใครชอบฤดูฝนหนาวมากที่สุดนะร้อนน้อยที่สุดที่ชอบทำไมชอบร้อนน้อยที่สุดเพราะามันร้อนบ่อยหนาวเนะ่ยเืองไทยมันไม่ค่อยจะหนาวเราก็เลยชอบ นี่คนกรุงเทพคนในเมืองไม่ชอบหน้าหนาวสบายใส่เสื้ออุ่นๆคนภายนอกไม่ชอบหรอกหน้าหนาวทรมานเสื้อผ้าก็ไม่ค่อยพอเราไม่ค่อยชอบอะไรที่เรามีอยู่เราชอบของที่มันไม่ค่อยมี <c oughs> ความสุขของเราก็เลยน้อยนึกออกยัง <c oughs> ถ้าเราพอใจสิ่งที่เรามีอยู่ก็สุขทุกวันเลยเรามีอยู่เนี่ยนี่เราก็รอเมื่อไหร่จะหน้าหนาวสักทีร้อนนะไม่ชอบนะก็มาเกิดเมืองร้อนเองอะ่ะถ้าไปเกิดเมืองฝรั่งเขาจะชอบตักแดดรายการที่5นะไปเสด็จยุโรปสองรอบรับหลังเนี่ยท่านไปถึงนอร์เวย์ไปดูพระอาทิตย์เที่ยงคืนนะตอนกลางวันเขาก็จัดรายการให้ท่านไปเดิน เ้วไปนั่งพักในปาร์คพอไปถึงท่านไปเกิดกลมดำรงหรืออะไรเนี้ยเขาจัดที่นั่งอยู่กลางแดดท่านบอกให้ย้ายมาอยู่ใต้ต้นไม้ฝรั่งทึ่งมากเลย <c oughs> คนไทยนะั้นให้ไปนั่งตากแดดนะรู้สึกต้องไข้ขึ้นใชท่านเกลียดไปเองเรื่องเนี้ยท่านบอกว่าเราไม่ชิน พอไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้นะฝรั่งมันแปลกใจล้วทาไมไม่ไปนั่งตากแดดถ้าแดดของเขาหายากเขาเลยอยากได้ความหนาวของเขามีเยอะเขาไม่อยากได้คนไทยไปเมืองนอกน ะ, ะพยายามไปให้หิมะตกฝรั่งพอหิมะตกพยายามหนีมาเมืองไทยสรุปแล้วมันไม่ชอบสิ่งที่ตัวเองเป็นนะ สิ่งที่ตัวเองมีที่ตัวเองเป็นความสุขเลยหายากถ้าเราหายใจออกเราก็มีความสุขพอใจหายใจเข้ามีความสุขมีความพออกพอใจความสุขเราอยู่กับปัจจุบันมีความสุขมันมีทั้งวันเลยตอนนี้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะเพราะปัจจุบันนี้อยู่กับเราตลอดเวลาอาดีตไม่มีอยากให้อดีตวนคืนไหม ใครก็ อ, อยากให้อดีตหวนคืนมายกมือซิมีไหมสารภาพมาตรงๆน้อยกว่าที่คิดไ ม, ไม่น่าใช่จริงก็หลงฝันไปอดีตนะฝันไปอนาคตอนาคตฝันว่ายังไงฝันว่าจะมีความสุขอยากมีความสุขใช่ไหมฝันว่าเดี๋ยววันนี้ยังไม่มีความสุขเลยไม่พอใจ เดี๋ยวอนาคตเราจะมีความสุขอันนี้เราพอใจถึงอนาคตจริงนะเนี่ยหลวงพ่อผ่านนะอนาคตมาหกสิปีและวมันะกลายเป็นอดีตไปหมดแล้ว <Yeah. S 1> แล้วพบเลยว่าใจของคนเนี่ยไม่พอนะเราไปฝันถึงความสุขในอนาคตไปฝันถึงความสุขในอดีตอะไรเงี้ยเราทิ้งของดีของพิเศษก็คือปัจจุบัน ปัจจุบันอยู่กับเราอยู่แล้วนะถ้าเรามีความสุขอยู่กับปัจจุบันได้เราจะมีความสุขตลอดเวลาถ้าเราไปหวังในของที่ไม่มีนะไม่มีความสุขปฏิเสธของที่กำลังมีอยู่ไม่มีความสุขบางคนนะมีภรรยาหน้าตาดูไม่ได้เลยแต่เขาพอใจเขามีความสุขนะบางคนภรรยาสวยแต่อยู่กันมาตั้งสองปีครึ่งแล้วเบื่อละไม่มีความสุขนะแต่งงานแนละ้วมีความสุข นานที่สุดสักเท่าไหร่ใครมีความสุขแต่งงานแล้วในนี้มีไหม <laughs> แต่ถ้าแฟนมาด้วยอย่ายกมือนะ <laughs> เรื่องคอขาดบาดตายไม่ถามก็ได้อันตรายก <laughs> ่อนแต่งก็นึกว่าแต่งแล้วจะมีความสุขเยอะเนาะ <laughs> ความสุขอยู่ไม่นานหายไปและเฉยเฉยเกิดอุบกขาเนี่ยสติปัญญากแก่กล้าขึ้น กลายเป็นอุเบกขาสุดท้ายกลายเป็นโท ม, มนัทเพราะนั้นพยายามนะพยายามรู้เท่าทันใจของเราไว้ถ้าเรามีความสุขอยู่กับปัจจุบันได้ก็คือมีความสุขแล้วไม่ต้องไปฝันถึงอดีตถึง อ, อนาคตนะแต่ไม่ใช่ไม่วางแผนนะทีชาพูดไม่ประมาทหรอกวางแผนเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้แต่ไม่ใช่กังวลไปเรื่อยเรื่อหรือฝันหวานไปเรื่อยๆร หายใจด้วยความรู้สึกตัวก็มีความสุขละใครเคยรู้สึกบ้างว่าหายใจอยู่ด้วยความรู้สึกตัวแล้วก็มีความสุขได้ยกมือซิมีไหมโอ้สาทุสาทุเข้าท่าเข้าท่าโอกาสที่จะ บ, บรรลุพระอรหันต์ในชีวิตนี้ก็พอมีแล้วล่ะ <c oughs> แต่ต้องถามต่อไอหายใจแล้วมีความสุขเนี่นานนานทีหรือเปล่า <c oughs> หรือเนืองเนงเนืองเน ง, เนงหรือนานนาน นานๆนะเออนานๆก็นานๆหน่อยแหละนะถ้าเนืองๆก็ไม่นานนักหรอกจนะได้ธรรมะภาวนานะเราอยู่ก็มีความสุขอยู่กับปัจจุบันรู้เนื้อรู้ตัวไปใจเคลื่อนไปรู้ทันนะใจก็ตั้งมั่นขึ้นมาก็ได้สม า, ธ, มามส ธ, ธ, มมธิใจก็มีความสุขกิเลสเกิดขึ้นระู้ทันกิเลสดับไปใจไม่มีกิเลสใจก็มีความสุขไหมความสุขหาง่ายอยู่กับปัจจุบันนี้แหละ สะสมมากเข้ามากเข้านะสติสมาธิปัญญาจะค่อยแก่กล้ามากขึ้นเรื่อยๆถึงจุดที่จะได้มากได้ผลเนี่ยเป็นจุดที่สติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติจะไม่เจือด้วยความจงใจใดๆทั้งสิ้นไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมากผลได้จิตบรรลุของเขาเองนะไม่มีใครทําได้เลยมันไปเจอพระสูตรอันหนึ่งชื่ออา จ, จารยิกสูตร พระพุทธเจ้าก็สอนบอกว่าไม่มีใครทำมรรคผลนิพพานได้หรอกมันเกิดเองท่านบอกว่าชาวนาเนี่ยมีหน้าที่สอย่างนี่ชาวนาสมัยพุทธกาลนะชาวนาสมัยนี้มีหน้าที่เยอะกว่านั้นมีภาระเยอะชาวนาสมัยพุทธกาลก็คือพอฝนตกก็ไปไถนาไปไถนาไถนาแล้วก็ไปหวานข้าวหวานข้าวแล้วก็คอยดูแล น้ำมากก็เอาออกน้ำน้อยก็เอาเข้าดูแลระดับน้ําไปถึงเวลาข้าวก็ออกรวงของข้าวเองพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก็มีงานสาอย่างเหมือนกับชาวนานะคือมีศีลสิกขามีจิตสิกขามีปัญญาสิกขานะศึกษาสมาทานอยู่ในศีลศึกษาวิธีที่จะฝึกจิตใจให้อยู่กันเนื้อกับตัว ศึกษาวิธีที่จะทําให้จิตใจได้เห็นความจริงของธาตุขันธ์กายใจนะบอกภิกษุมีหน้าที่3อย่างเหมือนชาวนามีหน้าที่3มอย่างนะชาวนามีหน้าที่3อย่างนะไปไถนาไปหว่านข้าวไปดูแลเรื่องน้ําแล้วข้าวออกรวงเองภนะิกษุมีหน้าที่สอย่างนะศะศีลศิขขาจิตศิขขาปัญญาศิกขานะเสร็จแล้วอริยมรรคจะเกิดเองนะอริยมรรคจะเกิดได้เอง ถ้าจงใจมีความจงใจแม้แต่นิดเดียวอริยมรรคจะไม่เกิดเวลาที่เกิดมรรคเนี่เป็นโลกุตระโลกุตระนั้นอยู่นอกภพถ้ายังเป็นภพอยู่ไม่มีทางเกิดโลกุตระเลยเพราะโลกุตระเหนือโลกก็คือเหนือภพต่างๆนั่นเองเจตนาความจงใจเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดการกระทํากรรมของจิตคือเป็นปัจจัยให้เกิดภพ เมื่อไรที่เราจงใจแม้กระทั่งจงใจปฏิบัติเราก็จะเป็นพบของนักปฏิบัติขึ้นมาทันทีถนะ้าเมื่อไรเราจงใจไปด้วยอำนาจของความกโกรธนะเราก็เป็นพบของสัรวนรกในทันทีเลยมนะันเป็นไปด้วยอำนาจของความจงใจงั้นตราบใดที่ยังจงใจอยู่นี่อริยมรรคจะยังไม่เกิด แต่เบื้องต้นก็ต้องจงใจไว้ก่อนถ้าไม่จงใจเลยจิตจะไหลไปตามความเคยชินคือตามกิเลสลูกเดียวอริยามรรคไม่มีวันเกิดเลยนะจะไปเกิดอบายแทนงั้นเราเบื้องต้นเราก็ตั้งใจนะตั้งใจรักษาศีล5้าไว้ก่อนนะต่อไปรักษาศีลมันจะอัตโนมัติขึ้นมาตั้งใจที่จะฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวต่อไปจิตใจก็อยู่กับเนื้อกับตัวโดยไม่ต้องตั้งใจอย่างสตินะสติสติก็ต้อฝึก อัตโนมัติสติอัตโนมัติเกิดหลวงพ่อตอนเป็นโยมนะเคยฝึกนะนสติอัตโนมัติเนะี่ยคือเราหัดรู้สภาวะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจเนืองๆสุขก็รู้ทุกก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้อะไรเกิดขึ้นในใจนะหลวงพ่อคอยรู้ไปเรื่อยที่แรกมันก็ต้องจงใจรู้นะต่อมาไม่ได้จงใจมันก็รู้ด้วยตัวของมันเองจิตมันจะรู้ด้วยตัวเองอยู่มาช่วงหนึ่งนะภาวนามาช่วงหนึ่งเนะี่ยมันเห็นความไหวขึ้นกลางหนะ้าอก ไหวยิบยับยิบยับยิบยับอยู่ที่กลางหน้าอกใครเคยเห็นตัวนี้บ้างยกมือซิมีไหมเห็นที่มันไหวขึ้นมายกสูงสูงหน่อยยกให้เห็นเต็มตามีเยอะนี่ไหวยิบยัยิบยับนะสติมันก็ระลึกรู้ไปเรื่อยเห็นความไหวหนึ่งวันสองวันสามวันปกตินะสติระลึกอะไรก็อันนั้นขาดสะบั้นหมดเลยความโกรธเกิดสติระลึกความโกรธก็ดับ ความมาเลยต่ออะไรเกิดนะสติเราเลิกก็ดับหมดเลยไอ้ไหวยิบยับไม่ยอมดับนะเกิดต่อเนื่องไปเรื่อยๆทําไงก็ไม่ดับนะทรมานมากเลยทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเพราะสติมันอัตโนมัติแล้วไม่ได้เจตนาจะรู้มันก็รู้ของมันเองมีวันหนึ่งเหนื่อยมากเลยนะก็บอกกับจิตว่าได้โปรดเถอะวันนี้เลิกปฏิบัติสักวันหนึ่งได้ไหมจิตก็ไม่ยอมเลิกปฏิบัตินะเพราะสติมันอัตโนมัติ จกนกรนทั่งสุดท้ายต้องไปทำสมาธินะทำสมาธิก็พักผ่อนจิตพักผ่อนรวมเข้ามามันก็ตัดอาการรับรู้ยิบยับนั้นไปนะเราไม่สามารถบังคับมันได้นะจะบังคับให้ไปเห็นในสภาวะที่ไหวยิบยับกลางหน้าอกก็บังคับไม่ได้เห็นแล้วจะบังคับว่าอย่าไปดูมันเลยเหนื่อยเต็มทีแล้วเห็นแต่ทุกข์แต่โทษนะก็บังคับไม่ได้อีกนะเราบังคับอะไรไม่ได้เลย นะัถ้าเมื่อไหร่สติอัตโนมัติเกิดเนี่ยนะจะทุกข์มากเลยนะมีทุกข์เกิดขึ้นต้องมีสมาธิเป็นตัวช่วยเป็นตัวเบรกสติมันะระลึกรู้ไปเรื่อยเหมือนเราทํางานตลอดเวลานะสมาธิมันเป็นที่พักผ่อนได้ใจได้พักผ่อนบ้างสมาธิตัวนี้หมายถึงสมถะนะไม่ใช่สมาธิชนิดตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะคนละอ่านกันงั้นสมาธิทั้งสองอย่างนะี้มีประโยชน์ทั้งสิ้นเลย สมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนี้เอาไว้พักผ่อนเวลาเราทํากรรมฐานเจริญปัญญารวดไปเลยมันเหนื่อยมันเหนื่อยมากนะเราก็ทําความสงบเข้ามาให้ใจได้พักผ่อนพักผ่อนพอสมควรมีเรี่ยวมีแรงแล้วออกมาเจริญปัญญาต่อไอ้ น, นี่อย่างเนี้จะไม่เหนื่อยมากถ้าเจริญปัญญารวดไปเลยถามว่าไปได้ไหมไปได้แต่ไปแบบ แ, บบแห้งแรงเหนื่อยยากลําเค็นมากเลยนะกว่าจะบราารลุพระรหัสนี่แสนสาหัสเลือดตาแทบกระเด็นเหนื่อยนะ แต่ถ้ามีที่พักของสมถะก็จะพักเป็นช่วงช่วงช่วงไปบางคนพักแล้วไม่ยอมไปต่อเลยอยากจะไปเดินทางไกลอยากจะกลับบ้านเดินทางมาแล้วตรงนี้ค่ำที่นี่นอนโรงแรมหรืออยู่โรงแรมนั้นเลยไม่ยอมไปไหนเลยกลายเป็นบอยอยู่ที่นั่นไปเลยนะไม่มีเงินจ่ายไปล้างจานอยู่นั่นนะ่นะงั้นเวลาเราพักในสมาธินะเราไม่พักนานพักพอให้แช่มชื่นใจมีเรื่อมีแรงแล้วก็พักเพียนดูกายดูใจต่อไปอีกนะ แต่ตอนที่จะดูกายดูใจใช่สมาธิอีกชนิดหนึ่งสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นคนดูนั้นสมาธิมีสองชนิดอันหนึ่งจิตสงบอยู่ในโรมันเดียวเช่นอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจไม่ไไห น, มนีไปไหนเลยอยู่กับท้องพองยุบไม่หนีไปไหนเลยอันนี้เอาไว้พักผ่อนสมาธิที่จิตตั้งมั่นเอาไว้เดินปัญญาจิตจะเป็นคนดูเห็นร่างกายกับจิตเป็นคนละอันเห็นความสุขทุกข์กับจิตเป็นคนละอันเห็นกุศลอกุศลกับจิตเป็นคนละอัน เห็นกระทั่งจิตมันทํางานได้เองมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเนี่คยครทําไปนะสะสมไปเรื่อยจนมันอัตโนมัติถึงจุดหนึง่งสมาธิอัตโนมัติเกิดยังไงนะสมาธิอัตโนมัติเกิดตรงที่ว่าสติมันเร็วอีกพอจิตมันไหลไปปุ๊บสติะระลึกรู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปแล้วเคลื่อนไปทางตาเคลื่อนไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทางใจส่วนใหญ่เคลื่อนไปคิดก็เคลื่อนไปเพ่งเวลาทําสมถะหรือ ฝึกปฏิบัติทำเนี่ยเคลื่อนไปเพ่งเกือบร้อยละร้อยเลยจิตเคลื่อนแล้วไม่เห็นว่าจิตเคลื่อนอยู่อย่างนั้นไม่เรียกว่าไม่มีสมาธิถ้าจิตเคลื่อนแล้วเห็นว่าจิตเคลื่อนไปนะสมาธิที่แท้จะเกิดขึ้นเซนสมาธิที่จิตไม่เคลื่อนคือจิตตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้บังคับไว้จิตจะมีอาการที่เบานะนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์รู้อย่างซื่อตรงก็คือ ก่อนรู้ไม่ได้อยากรู้ระหว่างรู้ไม่ได้อยากรู้ให้ชัดแล้วถล่าลงไปจ้องรู้แล้วก็ไม่เข้าไปแทรกแซงด้วยความยินดียินร้ายเนี่ยรู้เป็นนะสตินั่นแฝึกหัดรู้สภาวะเรื่อยๆไปสติอัตโนมัติจะเกิดความสุขความทุกข์เกิดรู้ทันกิเลสเกิดรู้ทันอะไรเงี้ยรู้ไปเรื่อยนะต่อไปสติอัตโนมัติจะเกิดถ้าจิตเคลื่อนไปแล้วรู้ทันเนี่ยต่อไปสมาธิอัตโนมัติจะเกิด พอสมาธิเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสติระลึกอยู่ในกายก็จะเห็นว่ากายกับจิตเป็นคนละอันกันนะพอสมาธิเกิดแล้วเนี่ยจิตตั้งมั่นนะสติระลึกเห็นกายก็จะเห็นเลยกายกับจิตคนละอันถ้าจิตตั้งมั่นอยู่สติไประลึกรู้เวทนาคือความสุขทุกข์ก็จะเห็นเลยว่าเวทนาคือความสุขทุกข์กับจิตใจนั้นคนละอันกันนะถ้าจิตตั้งมั่นอยู่สติไประลึกรู้กิเลสต่างๆก็จะเห็นว่ากิเลสกับจิตใจคนละอันกัน ทั้งร่างกายทั้งความสุขความทุกข์ทั้งกิเลสทั้งหลายนะล้วนแต่เกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงแสดงใจรักได้ตลอดเวลานั่นคือการเดินปัญญานะเดินปัญญาถึงจุดหนึ่งว่าอัตโนมัติเหมือนกันเห็นอะไรมันก็ดูเป็นใจรักกันจนกระทั่งอัตโนมัติมากไปอัตโนมัติมากไปก็ต้องเบรกเบรกด้วยอะไรเบรกด้วยสมาธิชนิดสงบอีกละสติมากไปนะดูได้ทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมพักเลยเหนื่อยแล้วก็ทําสมถะ เดินปัญญามากไปจนจะฟุ้งซ่านแลวก็ทําสมถะสมถะเป็นตัวเบรกนะเป็นที่พักผ่อนทําได้ก็ทําไม่ใช่ไม่ทำํำแต่ถ้าทำแล้วติดสมถะนะยอมลําบากเดินวิปัสสนารวดไปทุกยากแสนเข็นนะก็ยังเป็นพระอรหันต์ได้ติดสมาธิอยู่กับที่ไม่เป็นอะไรเลยนะก็ได้เป็นพลมเป็นฤๅษีเป็นอะไรงั้นไปก็เวียนว่ายไตเกิดไม่เลิกนั่นเราฝึกนะฝึกสติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติ อะรเกิดก็เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของมันเรื่อยๆไปถึงจุดที่สติสมาธิปัญญามันอัตโนมัติทั้งหมดแล้วนะพอมันเพียงพอและปัญญามันมากบุญบา ร, รมีสะสมมามากพอล้วการที่เราเจริญสติเจริญปัญญาเรื่อยไปนี่เป็นการสร้างบุญบา ร, รมีที่ใหญ่ที่สุดนะบุญใดประกอบด้วยสติปัญญาเป็นบุญใหญ่บุญใดไม่ประกอบด้วยสติปัญญาเป็นบุญเล็กน้อย งั้นบุญต้องประกอบด้วยสติปัญญาใส่ข้าวใส่บาทหนึ่งทัพีนะอาจจะได้บุญเยอะกว่ายกช้างถวายวัดอีกนะ่ใหญ่หญไม่ได้เบอร์ว่าบุญจะเยอะกว่าหรอกอยู่ที่ว่ามีสติปัญญาไหมเช่นแต่ใส่ใส่บาทมาทีข้าวอยู่ทัพีเดียวนะตื่นขึ้นมาเห็นความขี้เกียจของตัวเองไม่อยากลุกเลยหนาวหนาวอย่างนี้อยากนอนต่อก็แข็งใจลุกขึ้นมานะนี่เอาบุญไปส่วนหนึ่งแล้วนะรู้ทันตัวเองว่าขี้เกียจ แล้วก็เอาชนะมันขึ้นมาไปใส่บาตรนะเห็นเลยว่าใจมันโลภใส่บาตรปีใหม่หนึ่งทพนะีอยากจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1อะไรเนี้ยรู้ทันใจที่มีกิเลสนี่เป็นสติปัญญานะ ม, มีสติรู้ทนันได้บุญใหญ่นะได้บุญใหญ่จะได้ไปนิพพานได้ง่ายแต่ไม่ใช่ถูกลอตเตอรี่หรอกนะคนละเรื่องกัน ยิ่งถ้าเราค่อยๆฝึกนะสติสมาธิปัญญาแก่รอบเนี่ยถึงจุดหนึ่งที่บุญบา ร, รมีมากพอแล้วเนี่ยจิตจะรวมเข้าสมาธิชนิดอัปปนาสมาธิแต่ไม่ไปรวมที่อารมณ์จิตจะรวมลงที่จิตนะจิตจะรวมลงที่จิตแล้วถ้าจิตส่งอยู่ในฌานหนึ่ง 6, 7, 8ี่แนี่แหละแล้วสติก็จ ะ, ะระลึกรู้นะเห็นสภาวะบางอย่างไหวๆอยู่ในจิต สองขณะบ้างสามขณะบ้างแต่ละคนไม่เหมือนกันจนะหเห็นด้วยจิตที่ตั้งมั่นจิตไม่เคลื่อนไปจิตสักว่ารู้จิตสักว่าเห็นพวกเราชอบพูดคาว่าสักว่ารู้ว่าเห็นนะไม่มีจริงหรอกสักว่ารู้ว่าเห็นจริงจริงน้จะไปเกิดตอนจะเกิดมครค น, น, นะแ ม, ไม่ไม่สักว่ารู้ว่าเห็นจริงพอรู้อะไร <c oughs> เห็นอะไรก็ยินดียินร้ายเรื่อยๆไปเนี่ยพราจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตนะแล้วมันเห็นสภาวะไหวๆ ปัญญามันเข้าใจเลยว่าสภาวะทั้งหลายเนี่ยสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไม่รู้ว่ามันคืออะไรสภาวะนั้นเพราะไม่มีสมมุติบัญญัตินะไม่มีสมมุติบัญญัติสัญญาไม่ได้ไปแปลว่าอันนี้คือโลภอันนี้คือโกรธอันนี้คือหลงสัญญากับไปเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับอันนี้เรียกว่าอนิจจสัญญาถามว่ามีสัญญาไหมในขณะที่เกิดระยะมรรคเกิดระยะผลมีมีสัญญาแต่สัญญานั้นเป็นสัญญาที่ไม่บิดาลา ไม่ใช่สัญญาที่ว่าจําได้ว่าอันนี้คืออนนี้อันนี้คืออนนี้นะไม่จํานละไม่มีการแปลไม่มีการคิดสัญญาถ้ามันจําได้มันก็จะต่อด้วยความคิดทันทีเลยนะอย่างลำหน้าของคนคนนึงผุดขึ้นมาจําได้ว่าเป็นหน้าของคนนี้ปุ๊บนะใจจะคิดต่อทันทีนกึกออกไหมนะแต่ว่าสัญญาที่ทํางานในขณะที่เกิดมากเนี่ยนะมันจะเป็นอนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญาคือมันจะไปหมายรู้ ในแง่มุมของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาว่าสิ่งที่เกิดดับเกิดดับนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นเพี่ยงมุมใดมุมหนึ่งเท่านั้น <S <S พอปัญญามันย่างลงไปนะว่าเห็นความจริงลงไปนะแล้วไม่ใช่แช่สัญญานะปัญญามันเข้าใจว่ามันเกิดความเข้าใจขึ้นมาว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปนะพอจิตเข้าใจความจริงตรงนี้นะจิตจะวางนะวางการที่รู้อารมณ์ที่ไหวๆเกิดดับนั้นนะทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้นะ จะทวนเข้าหาธาตุรู้โดยตัวของมันเองไม่ต้องทำนะทาไม่ได้ถ้าทําเมื่อไหร่จะเคลื่อนออกนอกเลยไม่ไม่ทวนเข้ามาหาตัวเองตัวนี้แหละมันโอปะนาญยี่โกอย่างแท้จริงเลยนะมันทวนเข้าหาตัวเองนะพอทวนเข้ามาถึงตัวเองแล้วนี่อริยมรรคจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นช่วขณะหนึ่งเท่านั้นช่วงที่ทวนเข้ามานี้ก็ช่วงขณะเดียวเท่านั้นเองช่วงที่ทวนเข้ามาเนี่ยจิตปล่อยการยึดถืออารมณ์นะดังนั้นไม่ใช่ปุถุชน จิตทวนกระแสเข้ามาไม่ถึงธรรมธาตุแล้วก็ไม่ถึงธาตุรู้ที่แท้จริงยังไม่ใช่พระอริยะคาบลูกคาบดอกตัวนี้เรียกว่าโคตรรภูโคตระภูนะเป็นคาบลูกคาบดอกอยู่เป็นยานข้ามโคดคล้ายๆเรามีขูน้ําอยู่อันหนึ่งเรายืนอยู่ฝั่งนี้แล้วกระโดดข้ามขูน้ํขนาขณะที่เราลอยข้ามขูน้ําเนี่ยเท้าเราไม่ได้ติดฝั่งนี้เท้าเราไม่ได้ติดฝั่งน้น นี่คือลักษณะของโคตรภูยานนะเกิดชั่วขณะท่า น, นั่นเองก็โดดตุ๊บไ ป, ปถึง อ, อีกฝั่งหนึ่งนะคือทวนกระแสเข้ามาถึงตัวรู้ตัวธาตรู้ที่แท้จริงไม่ใช่ตัวจิตผู้รู้ที่พวกเรามีอยู่นี่นะคนละตัวกันนะแต่ว่ามันอยู่ที่เดียวกันนั่นแหละอยู่ที่ตัวรู้นั่นแหละมันทวนกระแสเข้าถึงตัวรู้แท้จริงธาตรู้ธาตรู้บางท่านท่านเรียกว่าธรรมธาตนะุบางท่านท่านเรียกว่าวิญญาณธาตุนะ สมเด็จพระยายนสังวรท่านเรียกตัวนี้ว่าวิญญาณธาตนนะุบางองค์ท่านเรียกว่าใจหลวงปู่เทศท่านเรียกตัวนี้ว่าใจหลวงปู่ดูลเรียกตัวนี้ว่าจิตหนึ่งนะท่านพุทธทาสท่านเรียกว่าจิตเดิมแท้นะหลวงปู่บุตรดาท่านเรียกว่าใจเดียวนะมีตัวเดียวมีตัวหนึ่งเท่านั้นเรียกอะไรก็ได้แต่ก็คือธรรมธาตุคือธาตุรู้นะ พอทวนกระแสเข้าถึงเนี่ยสิ่งอาสวักิเลส ท, ที่มันปกคลุมธาตุรู้อยู่นะจะถูกทําลายออกชั่วขณะธาตุรู้ก็ปรากฏตัวเด่นชัดออกมาธาตุรู้เนี่ยไม่ได้สัมผัสอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายธาตุรู้นี่สัมผัสด้วยใจเพราะธาตุรู้ไม่มีตาไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกายสัมผัสอารมณ์ด้วยใจอารมณ์ที่สัมผัสนั้นไม่ใช่อารมณ์ที่เป็นกามด้วย ไม่ใช่อารมณ์ในรูปพบอารูณ์พบเพราะว่ามันหลุดออกจากพบแล้วเพราะไม่มีเจตนากางจะสัมผัสพระนิพพานนะมีความสุขงานมหาศาลต้องสัมผัสครั้งแรกนี่สัมผัสด้วยช่วแวบๆเท่านั้นเองสองสามขณะเท่านั้นเองก็กลับมาปิดเหมือนเดิมอสวะคลุมอย่างเดิมอีกต<ๆ>้องภาวนาหน้นจะแหวกครั้งที่สองครั้งที่สามจนถึงครั้งที่4ี่อสวะจะขาดสะบั้นออกจากจิตได้มากลับมาย้อมจิตได้อีกต่อไปนะ จิตะเป็นอิสระคล้ายๆลูกโป่งลูกปง่กปงสวรรค์นะอัดแก๊สไว้แล้วลูกโป่งแตกเนะี่ยแก๊สในลูกโป่งนะักระจายเต็มโลกไปเลยนะจิตซึ่งอาสวะถูกทำลายไปแล้วเนี่ยจะแผ่ขยาย อ, าออกไปนะจะมีความรู้สึกว่ากว้างขวางไม่มีขอบไม่มีเข็นไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งนะเป็นอันเนื่อนเดียวกับธรรมะล้วนๆจิตนั่นแหละทรงธรรมะอยูนะ่จิตกับธรรมะเนี่ยหลอมรวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันจิตกับพระธรรมนั้นเป็นอันเดียวกันเลยนะ อยารู้สึกอย่างนั้นนี่ครูบาอาจารย์ท่านถ่ายทอดมาให้นะเราฟังไว้แล้วเราก็ตั้งอกตั้งใจภาวนาในในปีใหม่ทั้งทีฟังธรรมะให้มันลึกซึ้งหน่อยแล้วจะได้ขยันภาวนานะวันหนึ่งเราจะได้เห็นด้วยตัวเองไม่ใช่จำที่หลวงพ่อบอกนะเราเห็นด้วยตัวของเราเองเราจะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้านี่ประเสริฐที่สุดบริสุทธิ์หมดจดที่สุดพระกรุณามากที่สุด สอนวัวสอนควายอย่างเรานะจึงเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาได้ไม่ใช่ธรรมดาหรอกอ้าวใครจะมีอะไรจะคุยเชิญให้พวกอยู่วัดก่อนส่วนพวกที่เหลืออยากพูดให้รู้ว่าอยาก <c oughs> ใครจะไปพูดด้วยไหวเยอะหรือเกินอนะ่ะขอกานบ้านครับหื อ, ห อ, ห อ, หอขอเลยเหรอขอมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางให้แล้วนะ ปีหน้าต้องมาส่งกันบ้านนอะทำกันบ้านแนละ้วไปทําเอานะไม่มีอะไรมากหรอกการปฏิบัติอย่าเนึกว่ายากการปฏิบัติทำจริงๆคือการเรียนรู้ความจริงของตัวเองเนะี่ยของกายของใจเราเองเรียนรู้เรื่องตัวเองเรานะ่ะรู้สารพัดเลยนะสารพัดจะรู้ไม่ค่อยรู้เรื่องตัวเองบางคนนะกินข้าวเนี่ยตอนกลืนข้าวหายใจออกหรือหายใจเข้ายังไม่รู้เลยกินข้าวมาตั้งแต่เกิดนะ ไม่รู้เรื่องเลยดูดนมจุบชุบนะกินนมแม่นมวัวนมควายอะไรกินสารพัดเลยตอนกลืนเนี่ยหายใจยังไ ง, งไม่รู้เลยเอาว่ามาโยมตอนผมเดินจงกรมนะครับผมจะภาวนาซ้ายขวาซ้ายขวาไปด้วยได้ไหมครับได้ได้ถ้าภาวนาแล้วจิตไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นได้ความสงบนะได้สมถะพอได้สมถะจิตใจมีความสุขความสงบพอสมควรแล้วก็ค่อยเดินปัญญา ก็ให้เห็นในยร่างกายที่เดินอยู่เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายที่เดินอยู่เหมือนเห็นคนอื่นเดินไม่ใช่เราเดินอีกต่อไปแล้วค่อยๆดูเหมือนดูคนอื่นเดินเหมือนดูคนอื่นเคื่อนไหวเหมือนดูคนอื่นยิ้มเหมือนดูคนอื่นหน้าเบื้งอะไรเงี้ยดูเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อยๆอีกข้อนึงนะครับคือผมนั่งนั่งสมาธิหยุบหนอพองหนอไม่กี่ทีก็หลับไม่ทราบจะทําังไงโอ้เราก็อย่าไปนั่งเราก็เดินเอา นั่งแล้วหลับต้องเดินอายุถึงห้าสิบรียงังห7สิบเจ็้หบเจคือถ้าเกินห้าสินะโดยธรรมชาติเนี่ยนั่งนิ่งๆเดี๋ยวก็ซึมนะคือสมองเรามันเริ่มเสื่อมโดยธรรมชาติเลยจริงๆ4ี่สแปดเนี่ยเริ่มเริ่มถดถอยแล้วนะงั้นวิธีเราต้องช่วยมันคือเคลื่อนไหวไว้อย่างหลวงพ่อนะกรรมพันธุ์อ้วน น้ำหนักมากนี่พ่อแม่ปูย่ย่าตาใหญ่อ้วนๆทั้งนั้นเลยบางคนนะมีรถเก่งก็ขายรถเก่งเพราะขึ้นไม่ได้ต้องไปซื้อปิกนัปนั่งข้างท้ายจะนั่งเป็นคนเดียวนะเพราะว่าหลวงพ่อน้ําหนักเยอะหลวงพ่อเดินไม่เก่งหรอกหลวงพ่อนั่งแต่ถ้านั่งแล้วง่วงเนี่ยหลวงพามีพัดเคลื่อนไหวถ้านัาน่นร้อนแล้วก็พัดนั่งอย่างนี้ถ้านานั่นหนาวแล้พัดนี้ <laughs> เดี๋ยวปอดบวมตายให้มันเคลื่อนไหวไหมกระดูกกดิกไหมจะช่วยเราทําให้ไม่ซึม ต้องช่วยมันหน่อยออายุเกินห้าสิบเพื่อนมานะี่ยต้องช่วยละอ้าวใครจะคุยตามความจาเป็นอ้าวว่ามาทำน้บพิการหลวงพอ่อเจ้าค่ะคราวาที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ทำสมาธิเพราะว่าจิตจะได้มีกำลังสังเกตไหมว่าพอจิตมันทวนเข้ามาหาใจของเราเนี่ยความสุขก็ผุดขึ้นมา <น>แล้วก็หลวงพ่อบอกว่าจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานะนะมันผุดความสุขขึ้นมาเห็นไหมร่างกายพยักหน้าเห็นค่ะเนี่ยนะเห็นทันทีเลยนะคะเห็นวนะ่าไม่ใช่เราอีกต่อไปแล้วเนี่ยเดินปัญญาก็เดินไปอย่างนี้แหละค่ะแล้วก็หลวงพ่อบอกว่าเออช่วงนี้เขาที่เราที่ส่งก็จิตไม่ค่อยตั้งมั่นอืก็ก็กลับไปก็เ อ, อดูก็พยายามฝึกให้ได้แบบที่ว่าเคยตั้งมั่นแบบเราเคยทําว่าเออ มีสภาวะอะไรก็รู้รู้มันก็กลับมาตั้งมั่นได้เป็นช่วงนี้หรือยังนี่ไปคิดหรือยังคคิด่ะเอให้รู้ทันใจไหลไปคิดแล้วค่ะก็จะเห็นมากที่สุดก็คืออนัตตาค่ะช่วงนี้ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการหรอกนะแล้วก็เห็นตัวความทุกข์ที่เกิดจากความอยากแล้วช่วงนี้ก็มีความสุขว่าเรามีความเข้าใจมากขึ้นก็จะไม่ค่อยดิ้นรนเหมือนช่วงที่ผ่านมา ของยมน้าพัฒนาขึ้นเยอะแล้วล่ะแล้วก็คิดว่าความจิ้นลนที่อยากอย่างที่มากอดที่เรารู้สึกมันเป็นความที่เราไม่เข้าใจคิดว่ามันอยากได้แล้วมันจะได้แต่มันไม่ใช่ความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความอยากไม่เป็นเหตุแห่งความพ้นทุกข์หรอกก็ได้เรียนจากความจริงที่เราเจอใช่ใจมันก็เหมือนว่าต้องเรียนจากของจริงก็ยอมรับมากขึ้นว่า ไม่ใช่นะอย่าทำอย่างนี้ก็ค่อยๆปลอมเขาอะนะคะให้เข้ามาในทางให้ได้แต่ยังไม่ยอมร0อยเอร์็นหรอกใช่ค่ะก็ยังมีค่ะก็ดูโอ๊ยอยากอีกแล้วเหร อ, อ, อนะแต่เขาก็ทำของเขาเองอะคะ่ะนั่นแหละภาวนาถูกต้องแล้วนะกรา บ, บาขอบคุณท่านอีกนะทำไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนนะมักผลไม่ไปไหนหรอกเจ้าค่ะ กาบนรรมการหลวงพ่อค่ะมไม่ได้ส่งการบ้านมาปีเสร็ศษนะคะก็อยากจะให้หลวงพ่อเมตตาชี้แนะค่ะเห็นไหมว่าขันมันแยกกันได้เจ้าค่ะนะขันแยกแล้วก็ดูขันมันทำงานเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อยๆไม่ใช่เราหรอกนะใจต้องถึงฐานจริงๆค่ะจิตยังไม่ตั้งมันนะ่นค่ะเพราะงั้นทุกวันต้องซ้อมในรูปแบบจิตเคลื่อนไปแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้นะค่ะจะได้แรงค่ะกราบขอพระคุณค่ะ นำมัสักการครับหลวงพอ่อหนึ่งปีที่ผ่านมาที่ได้ไปปฏิบัติก็รู้สึกว่าถ้าไม่เพ่งเลยก็จะหลงยาวอะครับโอ้ดีขึ้นเยอะเลยเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมเห็นครับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกใจมันเหมือนไม่พอมันดิ้นหาทางทำทุกรูปแบบใจมันจะดิ้นอย่างนั้นตลอดนะจนถึงพระนักขาก็ยังดิ้นอยู่นะเรื่องว่าเอ๊ะทยัทยงไงจะดีกว่า น, นี้ทางไงจะถูกจะดิ้นรนหาของดีหาของถูกหาทางตลอดเวลาเลย ตรงที่ใจยังดิ้นหาทางอยู่เนี่ยเป็นความฟุ้งซ่านในธรรมะนะเป็นกิเลส ช, ชั้นละเอียดงั้นไม่ต้องไปยุ่งกับมันหรอกก็แค่รู้ทันนะยังไม่ใช่เวลาจะไปละมันได้งั้นใจมันดิน้นจะปฏิบัติธรรมก็รู้ว่ามันดิน้นะแล้วก็ค่อยดูกายคอยดูใจของเราไปเรืยไม่มีทางรัดอะไรหรอกมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลางเทนะ่านั้นพอแลล ะ, ละหาจุดตั้งมั่นไม่ค่อยเจอครับอย่าหาสิ ยินดีให้รู้ทันยินร้าให้รู้ทันเมื่อเช้ามาหรือเปล่ามาครับเออนะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสใจกระทบสัมผัสใจคิดนึกเกิดความยินดีรู้ทันยินร้ารู้ทันนะคืออย่างนี้แหละเดี๋ยวมันก็เป็นกลางเองคือทําให้มากๆเข้าใช่ใชมันจะเป็นของมันเองนะไม่มีใครทําได้หรอกอ้าวว่ามาเทศการคําเมื่อวานตื่นเต้นในดื่ม บอกไม่หมดค่ะอของแม่ป้าหลวงพ่อที่ไหยจะไหนไปทำกันบ้านฮะไม่ส่งกันบ้านเลยเหรอส่งมันหลงฮะหลงหลงลแล้วซึมแล้ว<อ>แล้วมันมันไม่มีปัญญาอืแล้วเราซึมแล้วมันสวดมนต์อะไรได้บ้างละ่ะก็สวดมนต์ สวด น, น้โมได้ไหมหน้โมตัสส ะ, ะ, ะส่วนน้โมตัสสะได้ทั้งวันก็สวดไปนะแล้วก็ใจมันหนีไปก็รู้ทันเราสวดมนต์ของเราไปเรื่อยเอาการสวดมนต์เป็นเครื่องอยู่ไปเรื่อยนะเราซึมแล้วมันเย็นสบายค่ะคุณพอโอ้ไม่เอาสิมันจะไปติดแต่ความสุขความสบายนะค่ะเย็นสบายเลยแต่ถ้าสมมุติชาตินี้ไปไหนไม่ได้จริงๆเอกสบายก็ยังดีกว่าลําบากนะ <c oughs> <c oughs> ส่วนม น, น่ะแล้วก็คอยรู้<ช>ทันจิตไปหางานให้จิตทำน่ะมันจะได้ไม่ซึมค<ช>่ะหางานให้มันทำาม่าพามันสวดมน์อย่างเงี้ยมันจะได้ไม่มีเวลาไปซึมแล้วมันอยู่เฉยๆเดี๋ยวมันซึมซึมแล้ว ม, มันเย็นไม่อยากทำอะไรไม่เอาซึมเป็นชื่อของซุวม <laughs> <laughs> ไม่เอา <laughs> <นะ laughs> <laughs> เดี๋ยวมันติดอยู่ตรงนี้ กันบ้านรอบหนึ่งปีค่ะเนีว่ามายังหลงเหมือนเดิมอะค่ะฮะเหมือนเดิมเลยเหรอก็ไม่เชิงเหมือนเดิมอะค่ะหลงมากขึ้นหรือหลงน้อยลงมันหลงมากขึ้นโอ้หลงนานขึ้นหรือหลงบ่อยหลงบ่อยหลงบ่อยดีหลงบ่อยแสดงว่าสติเกิดบ่อยคือในความหลงมันก็มีความเดียวเห็นความไม่พอใจไหมไม่พอใจที่อก่หลงอ่มันหลงใจถึงนี้ก็น้อยลงอะค่ะเอานะให้รู้ทันนะค่ะ นนะจิตยังยินร้ายต่อความหลงส่วนความหลงนะั้นไม่ดีหรอกเราก็ต้องมาฝึกตัวเองหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่แล้วก็รู้ทันเวลาจิตไหลไปคิดนะ่หลงส่วนมากหลงไปคิดแหล ะ, ะเพราะงั้นเราก็หัดหนะพุโทโธไปก็ได้หายใจไปก็ได้ไไดจิตไหลวิคิดรู้ทันมันจะหลงสั้นๆไม่หลงนานแต่จะหลงบ่อยนะพอไปคิดแป๊บรู้สึกขึ้นมาเดี๋ยวก็ไปอีกแป๊บหนึ่งรู้สึกขึ้นมา เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะให้จิตรู้สึกตัวตลอดเวลาแต่พอจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้นะ่แล้วจิตมันจะเริ่มเห็นื่อจิตจะไหลเราก็ห้ามไม่ได้นะจิตจะรู้สึกรักษาไว้ก็ไม่ได้จิตนี่เป็นของบังคับไม่ได้จิตเป็นของไม่เที่ยงจิตไหลไปก็ไม่เที่ยงจิตรู้สึกก็ไม่เที่ยงนะเนีปัญญามันก็เกิดค่อยๆทานะ ใ, นใจร้อนค่ะแต่จะเห็นว่ามันมันจะชอบตยึดอารมณ์ ทุกครั้งอะคะ่ะถ้ามันไม่ได้นะมันยังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของการยึดต่อไปมันจะรู้เลยจิตเข้าไปยากจิตเข้าไปยึดทีไรจิต ท, ท, ทุกทุกทีเลยนะมันมก็จะไม่ค่อยยึดหรอกแต่ว่าพอพ อ, พอหลงเยอะๆนี่มันจะมีช่วงที่แบบจิตเขาก็จะไปเหมือนกับปลีกวิเวกมากขึ้นนะอือคือเขาจะสมาธิของเขาเองอะคะ่ะออนั่นแหละถูก<า>ต้องมากขึ้นนะถูกแล้วแหละเวลาที่ไม่ได้แบบไม่ได้อย่างูนี่คือจะ ทุกเช้าอะค่ะเออมันเป็นมันรวมของมันเองเนาะใช่ค่ะใช่จำเป็นอย่างนั้นแหละหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดูลนะหลวงปู่ดูลมีวันไปนส่งกันบ้านท่านนะท่านบอกว่าจิตหลวงพ่อเข้าสมาธิหลวงพ่อบอกว่าโอ้ผมไม่ตอนนั้นไม่ได้นั่งสมาธินะแต่ น, นั้นนั่งดูจิตอยู่แท้ๆเลยเจริญปัญญาอยู่นี่แนหะท่านว่าดูจิตอยู่นั้นได้สมาธิอัตโนมัตินะสมาธิมันมาเองเพราะในความเป็นจริงเนี่ย ไม่มีใครเจริญวิปัสสนารวดเดียวหรอกเวลาที่ว่าเจริญปัญญาเจริญปัญญาเนี่ยเจริญไปนิดเดียวจิตจะเข้าไปทำสมถะเป็นเองแหละอย่ารวมเ ป, ป็นระยะระยะไปนะปกติหรอกแล้วไปเห็นจิตที่มันเหมือนเขาไหวๆอคะค่ะ <c oughs> เวลาที่เขาเขาไม่ยึดเหมือนกับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่จะไปเห็นว่าเขาแบบมันทุกข์อ่ะอยมงนี้นี่คือเรา เราเห็นจริงๆแหละไม่ต้องเพิ่มเราก็เห็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละมันทุกข์นั่นแหละนะแต่ก็ต้องดูนะถ้าทุกข์ขึ้นมาแล้วใจไม่ชอบใช่เขาจะแบบพอเห็นทุกข์เขาแบบมันไม่เห็นสุขเลยอ่ะเนี่ให้รู้ทันให้รู้ทันใจที่มันไม่ชอบอ่ะนะมันยินร้ายมันมีโทสะที่หลวงพ่อตบอกไงว่ามันไม่ชอบมันมีโทสะดูออกไหมมันมีความไม่พอใจดูออกไหมคือตัวนี้แหละ ก็คืดูเขาไปเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ดูแล้วรู้ทันจิตตัวเองนะดูแล้วจิตไม่ชอบมันให้รู้ว่าไม่ชอบนะไม่ต้องไปทําให้ชอบหรอกแค่รู้ว่ามันชอบค่รู้ว่ามันไม่ชอบมันยินดีมันยินร้ายรู้ไปเรื่อยนะคุณค่าใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วเดี๋ยวจะได้ไปเที่ยวปีใหม่ละมอเตอร์เวยนี่ก็ ย, ยังไม่เก็บตังค์ว่ะช่วงนี้ยกําไรนี่เราก็วิ่งไปแล้ววิ่งกลับมาอีกนะออ นานๆจะได้โอกาสมันไม่เก็บตังค์นมัส ก, การครับหลวงพ่อว่าไงขออนุ ญ, ญาตหลวงพ่อช่วยชี้แนะว่ามานภายนอกเนี่ยคลื่นที่รบกวนเนี่ยมานภายนอกไม่เคยหยุดเลยนะครับไม่เคยหยุดเลยมันหยู่ที่ว่ามานภายในนะเราจัดการกับมันได้ไหมครับมานภายในนะถ้าภายในทางรูปธรรมก็คือพวกขันธมานร่างกายเราเจ็บป่วยไหมถ้าไม่เจ็บป่วยก็ตัดไปตัวหนึ่งมานตัวต่อมาก็คือกิเลสมาน กิเลสเกิดขึ้นเรารู้ทันไหมถ้ารู้ไม่ทันนะมารตัวที่สองซึ่งร้ายกาดมากเลยชื่ออาพิสังคารมานก็จะทํางานคือความที่นิรนปรุงของเราเองพอจิตเราปรุงแต่งจิตเราวุ่นวายขึ้นมานยะมารภายนอกเทวปุตตมานเลภายนอกถึงจะแทรกได้นะถ้ามารภายในไม่มีนะ้ํามารภายนอกมาทําอะไรเราไม่ได้จริงหรอกกระทบได้แต่ร่างกายส่วนมรดไปเรื่อยๆนะ <God. S 1> มารไม่ชอบอิติปิโสนะจําไว้ มสการควัสดีทีพี่โสไปมารเกลียดเกลียดทีแรกสวดๆมันจะทุบหัวบ้างนะเพรทนทนไปเมื่อไหรทุบก็ทุบไปเราสวดของเราไปใจเราจดจ่ออยู่กับพระเจ้าไว้บางคนนึกว่ามารไม่มีจริงๆนะมารก็เป็นพวกเทวดาขี้อิจฉาคุณครับกาธรทำมาสการค่ะหลวงพ่อ คุยกับหลวงพ่อที่อะไรตื่นเต้นพุที่ธรรมดาพระคุยกับหลวงพ่อยังตื่นเต้นเลยคื <laughs> <c ười> <c ười> อหนูว่าประมาณปีกว่านิดนิดแล้วนะคะที่เห็นความปเปลี่ยนแปลงหรือยัง <zhou. S 1> หนูเห็นเยอะเลย <c ười> ลที่ผ่านมาคือก็วันนี้ต้นปีหนูก็เลยกะว่าเดี๋ยวของการบ้านหลวงพ่อแล้วก็ให้ใครู้ทันเวลาฉีดมันกระจายออกไปนะมันสว่างมันว่างมันมีความสุขอะไรเงี้ยแต่ว่ามันกระจายออกนอก ถ้ามันกระจายอากน้ำจะติดอยู่ในความสุขของความว่างแล้วก็พยายามทวนกลับมาดูกายดูใจบ่อยๆนะให้การบ้านแล้วล่ะคืออย่างนี้คือว่างๆอยู่ใช่ไหมใช่ไปค้างอยู่ข้างนอกอืแสดงว่าเขาออกไปข้างนอกแล้วเขาไม่กลับเข้ามาใช่เพราะอะไรสบายดีไม่มันติดความสุขอ๋อและค่ะมันสบายนะค่ะถึงว่าครูบาอาจารย์หลายท่านบอกให้หนูแบบดูดูเข้ามาที่ตัวเองเยอะๆใช่ใช่บอกถูก ท่านก็สอนหนูเยอะหลายอย่างจนหนูรู้สึกว่าเออทรรมะจริงๆมันไม่ใช่ของยากอะค่ะไม่ยากหรอกแต่ไม่ค่อยทำแต่นหนูไม่ท <laughs> <laughs> ําค่ะต่อไปนี้หนูจะทําทุกอย่างอะค่ะเพื่อธรรมะแล้วค่ะจางเออสาธุใช้ชีวิตทุกอย่างอะคะอ่ะ <ๆ S 1> เพื่อปฏิบัติธรรมะค่ะเออสาธุเลยนะทําให้ได้อย่างว่านะ <laughs> ถ้าทําได้โอ้โหหลวงพ่อจะดีใจมากเลย <laughs> ทุกวันนี้น่ะเท่เท่หน่วยแทบตายเลยเดินทางไปไปมานะ ต้องการอย่างเดียวแหละต้องการให้พวกเราภาวนานะพอภาวนาเป็นนะเราก็จะรักษาสืบทอดศาสนาได้แทนคุณพระพุทธเจ้าว่ามา ค, ค น, น, ส, นสุดท้ายแล้วว่าไงขอการบ้านหลวงพ่อคะ่ะรู้สึกตัวรู้สึกกายกับรู้สึกใจอะไรได้ชัดกว่ากันแล้วแต่บางครั้งนะคะเวลาเลี้ยงลูกหุนหินไหม หิดแล้วก็กดไว้อ่ะนะกดไว้คือเราไม่ไปรุนแรงกับเขานะแต่เรารู้ทันใจของเรานะเอาลูกนี่แหลมาทำกรรมฐานเลยนะนิ้ะเราจะเครียดมากเลยคอยรู้ทันใจของเรานะวันนี้ลูกน่ารักเราพอใจวันนี้ลูกซนเราไม่พอใจเนี่ยหัวเราะด้วยความเครียดนะแน่นๆนะคะแน่นเลยล่ะหลวงพ่อก็เห็นใจนะทำไงได้ล่ะมันมีไปแล้ว กว่าจะโตสักคนหนึ่งคนหนึ่งนะพ่อแม่เหนื่อยแทบตายเลยท่านถึงยกย่องพ่อแม่เป็นพระอรหันนะ <c oughs> หมดแล้วละ <c oughs> เชิญกลับบ้าน